ไม่ใช่หรือเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงธรรมเพื่อความคลาดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเราแสดงธรรมเพื่อความคลาดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อความถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่น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 การเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกรัดกลุ้มเพราะกามว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมคะบุรุษเธอสอดองคชาติเข้าปากอส ร, รพิษร้ายเสียยังดีกว่าสอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดสตรีสอดองคชาติเข้าปากมูเฮาเสียยังดีกว่าสอดองค์ชาติเข้าองค์กำเนิดสตรีสอดองค์ชาติเข้าหลุมฐานไฟเสียยังดีกว่าสอดองค์ชาติเข้าองค์กำเนิดสตรีเพราะอะไรเล่าเพราะ ผู้สอดองค์ชาติเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้นพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกระทํานั้นเป็นเหตุหลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกส่วนผู้สอดองค์ชาติเข้าองค์กําเนิดสตรีหลังจากตายแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารกโมฆบุรุษในการที่เธอเสพซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นตำ่ำกิริยาช่วยยา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 บางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนีพระสุธินโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมากๆไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลว์ความกำหนัดกิเลสอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสม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 เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใด้เสพเมทุนธรรมภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวัตไม่ได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้สุทินภานวันจบ